2.31 ปณิธานของหลวงพ่อวงเล็บเปิด6กุมภาพัน 2,551 ในวงเล็บสองจุดจุดนาที12วงเล็บปิดแต่ละคนกำลังทำงานที่สำคัญคืองานที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์งานศึกษาศาสนาแล้วก็จะต้องสืบทอดศาสนาด้วยเป็นภารกิจสำคัญนะหลวงพ่อตั้งความปรารถนาเอาไว้นานนักหนาแล้วตั้งความปรารถนาเอาไว้3ข้อ ข้อแรกขอใหถึงที่สุดตามพระพุทธเจ้าไปให้ได้ข้อที่สองขอให้มั่นคงอยู่ในาศาสนาพุทธนี่ไม่ว่ า, าศาสนาพุทธไปอยู่ที่ไหนเราขอไปด้วยาศาสนาพุทธไปเกิดที่ไหนเราขอไปด้วยขอตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เคยขอนะว่าขอเป็นคนไทยตลอดไปเพราะคนไทยบางทีมันก็ไม่มีาศาสนานะไม่จำเป็นหรอกบางช่วงเวลาไม่มีาศาสนาพุทธเราก็ภาวนาของเราทาความสงบไป ช่วงที่มีศาสนาพุทธเราก็จเจริญปัญญาข้อที่สามขอให้ได้สืบทอดศาสนาในช่วงของการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนี่ดังตรินบอกหลวงพ่อเหมือนทุ่มก้อนหินก้อนใหญ่ๆลงไปในน้ํานะบอกตอนนี้น้ํากระเพื่อมไปทั่วโลกแล้ววันหนึ่งพวกเราก็จะเติบโตขึ้นมาแต่ละคนก็ต้องไปสืบทอดในแวดวงของตัวเองไปอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยแต่ละคนนี่นะมีความสําคัญอยู่ในตัวเองแล้วฉะนั้นศึกษาให้ดีเลยนะศึกษาให้ดี ทำไมหลวงพ่อต้องพยายามประสานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรเนี่ยเอามาลิงก์ในวงเล็บเชื่อมต่อกันจนหมดเลยสายกายสายจิตสายโน้นสาย น, น, ายนี้ทำไมมันรวมกันได้หมดเลยถ้าจับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่มีสายไม่ต้องแยกกันไม่ต้องทะเลาะกันฝึกมาอย่างไรก็ได้